วันนี้ตอนเย็นพระสงฆ์ที่จำบรรษาทั้งหมดทั้ง43และมีพระมาจากต่างถิ่นอีกองหนึ่งเป็น44มาก็ทำพิธีประวารณาออกพรรษาเมื่อบ่ายห้าโมงเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นวันออกพรรษาประวารณาตัวดังนั้นก็ตามให้จริงออกพรรษาจริงๆต้องวันพุ่งนี้สะกก่อนนะ ในคืนนี้ก็ยังรักษาราตีหรือว่ารักษากลางคืนไว้อยู่วันออกพรรษาจริงๆก็คือวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาวันพรุ่งนี้แปลว่าเต็มที่ว่ น, นั้นเถอะคือหลักของพระวินัยของพุทธศาสนาเนี่ยท่านยึดพระอาทิตย์ขึ้นเป็นวันใหม่ท่านไม่ได้ยึดเหมือนกับทางโลกเขาทุกวันนี้เที่ยงคืนแล้วกันดีหนึ่งค น, นับเป็นวันใหม่ ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตองพระอาทิตย์ขึ้นอจึงนับว่าเป็นวันใหม่ได้ถ้าว่าพระองค์ใดเมื่อปวารณาเสร็จแล้วออกไปในวันนี้ก็ยังวถือว่าขาดพรรษาอยู่นะยังเป็นอบวบยังปรับพระพุทธเจ้ายังปรับโทษในพระวินัยยังปรับโทษอยู่แปลว่าขาดพรรษาจะนับพรรษาไม่ได้เพราะพระองค์นั้นขาดพรรษาถ้าว่าบริบูรณ์แล้วในวันนี้อ คือวันลงขึ้นเนี่ยเป็นวันแปลว่าสมบูรณ์แบบในการเข้าพรรษานะแต่เมื่อเช้าก็ได้พูดไปแล้วว่าการเข้าพรรษาคือการประวรณาตัวในถ้ำกลางสงถ้าว่าครวญนำเอาไปใช้ก็ไม่น่าผิดเป็นคุณงามความดีโดยการทั้งนั้นแหละทางว่ากลุ่มราชการงานเมืองใด ที่ทำงานร่วมกันอย่างที่ว่าการอำเภออย่างนี้ถ้าว่ามีการภารวนาต่อกันตั้งแต่หัวหน้าจนถึงคนสุดท้ายถ้าว่าเห็นการกระทำ้วยกาย้วยวาจาดวยใจก็มีว่าการว่ากาวตักเตือนกันได้อันนี้ก็เป็นผลดีถ้าว่าในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันก็ตามเป็นครูใหญ่พ อ, ออก็ตามจนถึงครูน้อยจนถึงผานลง ถ้าว่ามีการปรารณาต่อกันมีการว่ากล่าวตักเตือนกันก็เป็นผลดีในครอบครัวของเราเหมือนกันพ่อแม่ลูกมีการว่ากาวตักเตือนกันก็เป็นผลดีเพราะฉะนั้นการทําความบกพร่องบกพร่องในการกระทําทางกายทางวาจาไม่ว่าผู้น้อยไม่ไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าพ่อว่าแม่บางทีบางครั้งก็มีการผิดพลาดพลั้งเผลอไปได้ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ พระนั้นท่านจึงให้ประวรณาต่อการถาว่รใครเห็นในการกระทําที่มันจะเป็นหายนะนํามาสู่วงการนํามาสู่วัดวาศาสนานํามาสู่ครอบครัวของเรานํามาสู่วงการของเราก็ให้ช่วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าว่าไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันเวลาผลสะท้อนย้อนกลับมาก็ได้รับ ทั้งหมู่ทั้งคณะอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมไม่ใช่เหร อ, เ, อ, อเพราะนั้นต้องถ้าเมื่อมีความผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องว่ากล่าวกันตักเตือนกันอันนั้นนหะรความเป็นธรรมอันนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ได้ภาวณาต่อกันจบลงไปแล้วแล้วกับวันนี้เป็นวันที่พวกเราปฏิบัติธรรมวันหนึ่งให้พวกเราตรวจตราดู ในปีนี้พวกเราได้ทําอะไรไว้บ้างที่เป็นที่ประทับใจหรือว่าเราได้ทําอะไรไว้บ้างที่ย่อหย่อนที่ยังไม่เต็มใจปีต่อไปปีหน้าก็พยายามทําเต็มตื้นให้กว่านี้อีกกว่างั้นเถอะปีนี้แปลว่าถ้าเป็นนักมวยก็แปลว่าวชกคบยกว่างั้นเถอะสามเดือนแพ้หรือชนะไม่มีใครรู้ รู้แต่ตัวของเรารู้ด้วยตนเองว่าในพรรษานี้เราเป็นผู้แพ้หรือเราเป็นผู้ชนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูในพรรษาที่ผ่านมาสามเดือนครบสามเดือนวันนี้พวกเราได้ทำอะไรไว้บ้างที่เราตั้งสัตว์ไว้ว่าเราจะทำวัดเย็นทุกวันเราขาดไหมหรือว่าเราจะตื่นนอนมาทุกวันเราจะทาวัดเช้าเราขาดไหม ถ้าวันขาดไปว่าเราแพ้ว่าง้นจะขาดตกบกพร่องหรือข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เราตั้งสัจจะคือตั้งความจริงใจไว้แล้วเราขาดตกบกพร่องแสดงว่าเราเริ่มเริ่มล้มเหลวไม่จริงจังไม่มีสัจจะในตัวเองต่อไปเราควรจะขันน็อตให้เข้มข้นขึ้นไปกว่านี้อีกมันจึงจะถูกว่าง้นจะทางว่าขาดตกบกพร่องไปแล้ว เราก็ยังไม่ได้ใส่ใจแสดงว่าต่อไปภายภาคหน้านี่ยยิ่งแก่เท่าไรก็ยิ่งเลอะเลือนไปเรื่อยแล้วงั้นการเลอะเลือนเลอะเทอะเลอะเลือน่ะเป็นที่พอใจแล้วเหรอเราเห็นคนเลอะเลือนเป็นยังไงปูป้าปูปูป้าปางงงเลอะเลอะเลือนเดือนพูดผิดพูดถูกการกระทําอะไรเลอะเลือนเราต้องการไหมอย่างนั้นถ้าไม่ต้องการเราก็ควรจะมีกฎเกณฑ์กับตนเองเข้มงวดขวดขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านตัวตราท่านอยู่เสมอนะเห็นไม่เมื่อเท่าแก่ชรากขึ้นมาแล้วท่านก็พูดสิ่งไหนออกไปก็เป็นอัดเป็นธรรมหน้าฟังหน้าเคารพหน่าเลื่อมใสหน้านับถืออการกระทําของท่านก็เป็นที่ยอมรับอายุถึงเก้าสิบปีแล้วอท่านทาได้ขนาดนั้นถูกต้องขนาดนั้นเอเป็นชวะอัจฉริยะก็ไม่น่าจะผิดนะ หน้ายกย่องน่านับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่งและพวกเราล่ะทุกทุกท่านก็ควรจะทาให้มีสัจจะคือความจริงใจทำอะไรให้จริงจังอย่าทำให้เลอะเลอะเลือ่อนเลือเล่อนไปเรื่อยมันจะค่อยๆว่าจะเสียศูนย์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่จริงจังกับตนเองแปลว่าปีนี้เรายกชกครบยกกว่านั้นเถอะปีหน้าต้องเตรียมท่าใหม่อีกนะ แต่ในพรรษาก็เถอะนอกพรรษาก็เถอะนะถึงพวกเราจะออกพรรษาแล้วความแก่ความตายไม่ได้ออกไปด้วยเด้มันยังแขวนอยู่ในคอของเราอยู่ตลอดเวลาเออพวกนี้ออกพรรษาแล้วไม่ตายหรอกบาานี้จบละปุณณะเข้าพรรษาหน้านะเนี่ยอะจึงจะแกะ่จึงจะตายไม่ใช่อย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายนั้นแขวนคออยู่ของเราจะตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนทั้ง กลางค่ำกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะไม่มีเวล่ําเอไม่มีช่องว่างในวินาทีท่านั้นอความแก่เจ็บตายนั้นติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทด้ออกพรรษาแล้วก็เอี๋ยวเราโรคออกไปเออเราไม่ได้ทําเอมีกฎมีเกณฑ์นะบ้านนี้เราปล่อยปะละเลยแล้วเออย่างนั้นไม่ถูกนะเอถึงออกพรรษาแล้วก็เถอะนะ การไหว้พระสวดมนต์ก็ควรจะทำให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะอย่างโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านอายุเพียงสามสิบกว่าปีสามสิบห้าปีคน3ามสิบห้าปีกำลังทำมาหาเลี้ยงชีพนะกำลังมีลูกเต้ากำลังแต่งงานกับลูกก็เพียงสิบห้าสิบหกปีลูกคนลูกชายคนโตนะพี่ชายคนใหญ่ แต่แม่ของท่านก็เป็นแม่ชีนะอพ่อของท่านก็บวชเป็นพระอยู่หลังเขาภูเก้านะั่นนะแต่ลูกชายท่านก็เป็นลูกชายคนโตก็จะต้องดูแลพราะว่าแม่อยู่ไม่ห่างไกลพวกคนอื่นน้องๆคนอื่นเขาก็อยู่ไกลก็ต้องมาอยู่ที่มาอยู่ใกล้ก็คือพ่อแม่พ่อแม่ท่านมาอยู่ใกล้แล้วก็มีน้องสาวบวชอีกน้องชายบวชอีกอยู่ใ น, นั่นอีกอยู่ปฏิบัติอยู่ที่ภูเก้านะั่นนะ ในฐานะท่านเป็นพี่ชายท่านก็ต้องดูแลพ่อแม่เลี้ยงเอาหงอาหารอาหงอาหารอาหารแห้งตามปลาตามดงเนื่นสัตว์สารเสียงปูปลาหน่อไม้หน่อไรก็ต้องหาไปส่งอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งหาไปส่งขนไปส่งพ่อไปส่งแม่ไปส่งพระไปทําบุญในวัดสมัยนั้นก็ไม่มีโรงสีอีกต่างหากโยมแม่ก็ตําข้าว ทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหะนะทั้งลูกน้อยด้วยตามข้าวใส่เป็นข้าวสารแล้วก็อ้าวหาไปทั้งผัวทั้งเมียให้พวกลูกดูแลน้องๆ อ, อยู่ทางบ้านก็ไปสงข้าวให้พ่อให้แม่ที่ท่านเป็นชีอยู่ในวัดทําบุญทําทานเพราะสมัยก่อนกขเศรษฐกิจก็าไม่บีบรัดอย่างทุกวันนี้อาหารการบริโภคในปานรงพงภัยก็มีอุดมสมบูรณ์เพราคนมันน้อย โยมพ่อก็ดูแลปฏิบัติอทั้งวัดวาศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคุณพ่อของท่านก็นเป็นหลวงตาวดในวัดคุณแม่ของท่านก็นเป็นแม่ชีอยู่ในวัดพร้อมกับคุณแม่ชีแก้วเนี่ยนะทั้งหมดแม่ชีทั้งบทฟังๆนุนมีทั้งเจดแปดแม่ชีนะอันนี้ก็โยมพ่อก็ดูแลปฏิบัติอไปทุกวันพระว่า ง, งั้นเถอะน่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ ในระหว่างกลางถ้าว่าขาดเหลือขาดตกอะไรแม่สั่งมาก็ต้องหาไปให้ไปสงไปให้ทะนี้ในพันษาเทนี้พอในพันษาลูกชายปฏิบัติมาทั้งแรงทั้งผลนั่นอ่ะปีสองสามปีพอปีนั้นแม่ก็เลยปารบขึ้นว่าคุณแม่ของท่านนะบอกว่าลูกที่เห็นลูกชายดูแลอาหงอาหารการบริโภคก็คงจะเห็นพวก ลูกชายไปหาปูหาปลาปลาหงส์ปลาแห้งน่ะมั้งมาส่งเข้ามาเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์แม่ก็เลยบอกเออถ้าลูกรักษาศีลห้านะถ้าลูกรักษาศีลห้าในสามเดือนนี่แม่ก็จะยินดีเพราะถึงยังไงเรื่องอาหารการกินแม่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญกว่าศีลธรรมฟังดีสิคุณยา่าท่านก็เป็นคนมี ศีลธรรมในจิตใจท่านไม่เห็นแก่กินแก่อยู่เด้ไม่ชาวาเห็นลูกผลของเข้ามาแล้วก็ดีอกดีใจไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าว่าลูกชายรักษาศีลห้าได้อ่ยก็จะดีมากเรื่องอาหารการกินนั้นก็ตามมีตามเกิดนะลูกนะไม่ต้องหนักใจถ้าลูกรักษาศีลห้าได้ในไตรมาสสามเดือนที่จําพรรษานี่ก็จะเป็นผลดีนะลูกทั้งโยมพ่อท่านก็ อในเมื่อแม่ขอร้องอย่างนั้นทางลูกชายก็ว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าแม่ว่าจะให้ผมรักษาสินผมก็จะรักษาอาตลอดไตรมารสามเดือนคิดว่าคงไม่มีปัญหานะคุณแม่อแม่ก็เออสาธุนมโมธนานะลูกอาจากนั้นโยมพ่อก็กลับมาบอกทางครอบครัวคือโยมแม่บอกว่านี่นะอโยมแม่อยากจะให้ผมรักษาศินห้าตลอดไตรมารสามเดือน ขอให้ทางโยมแม่ดูแลพวกพวกลลกนะตามมัตภาพส่วนอาหารการบริโภคนั้นพวกหน่อไม้หนอน้ำเรือพวกเห็ดพวกผักอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะหามาเลี้ยงครอบครัวส่วนที่จะให้ค่าสาัตว์ตัดชีวิตนั้นไม่เอาแล้วนะพราจะต้องรักษาสีตอไตรามาสสามเรือนนี้แต่นี้โยมแม่ก็ไม่ว่าเอาสูดแท้แต่คือชาวบ้านนี่นะชาวบ้านในชนบทเนี่ย เรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเรื่องศีลห้านี่ยคือข้อที่หนึ่งนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะไม่มีตลาดแล้วก็ไม่มีเงินเงินนีไม่จําเป็นจะต้องจะได้ใช้เลยว่า ง, งนะั้นเงินไม่จําเป็นได้ใช้เลยเอโดยมากมีได้เนื้อได้เก่งได้กวางได้หมูอะไรมาก็แบง่งแบงกันอยู่กันกินไม่ได้ซื้อได้หากันว่ายุคสมัยก่อนนะถ้าควายก็ควายล้มควายตายมากเอาแบง่งกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ค่อยฆ่าวัวฆ่ า, าควายกันเน๊ะคนรุ่น ปูรุ่นตาของเรานะอ่โดยมากก็นี่แหละกินของดงของป่าไปเทนี้ก็โดยมากก็นี่แหละการฆ่าสัตว์กับฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากบฆ่าเกียดฆ่ากรอกกระแตหมด น, นี่แหละเป็นอาหารในชนบทเป็นอย่างนั้นถามตูกตูก็ได้ว่างั้นเถอะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอเทนี้ก็โยมพ่อก็นี่แหละเรื่องการฆ่าสัตว์นี่ เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงสําหรับผู้ที่รักษาศินห้าอาทินนาก็าหมารู้จะขโมยของใครเออเขาก็ไม่ขโมยกันอยู่แล้วเป็นคนสื่อสัตว์สุจริตต่อกันอยู่แล้ว เ, ออเรื่องกาเมสุมิชากยานก็ดีสามีพัญญาของใครเขาก็เคารพรักของเขาของใครของเราเพราะอยู่ครอบครัวมันน้อยออมองเห็นกันใครขยับใครยืนยังไงเขาก็เห็นกันนะออการมุสาวาตก็เหมือนกันใจจะไปโกหกใครถ้าโกหกเขาก็ปนนามกันทั้งบ้านทั้งเมือง ไอ้คนนี้ขี้โกหกเขาก็ไปนับถือหน้าถือตาเพราะฉะนั้นใครจะไปโกหกกันก็ไม่ได้อย่างสุราเนี่ยก็อย่างมากกันานๆจะมีการมีงานมีการมีทําบุญประจําปีทําบุญโพเวอย่างนั้นก็จึงกันเล่ากันแต่ว่าเล่าเด็ดเพราะงั้นเถอะแล้วก็ใส่เล่าสายโทรเลี้ยงกันพอจบแล้วก็จบอีกใครจะไปทําทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ไม่รู้จะขายไปที่ไหนเอถ้ากินเล่า บ่อยก็ไม่ใช่พ้นดีเป็นที่ประนามของคนในหมู่บ้านอีกเนี่ยเพราะฉนั้นก็ไม่มีเรื่องสุราอาเก่งคนนั้นกับบางคนก็ติดฝิ่นท่านเองแต่ติดฝิ่นก็ติดคันชานะมีอยู่อาจากนั้นเขาก็ปน้ำมาอย่างสุดๆเหมือนกันนะไอ้คนที่ติดฝิ่นเนี่ยโอโ้แปลว่าขี้ข้ายาเสพติดเนี่ยเห็นเนแล้วอสงพ่อเป็นเด็กนะต้นไม้ยางนี่อยู่ในใกล้บ้านของเขาอยู่ใกล้ที่ไร่ที่สวนเขาจะโค่นทิ้งเนี่ย เขาจะจ้างขี้ยาพวกนี้แหละขี้ยาพวกขี้ยาผิ่นเนี่เแออย่างมากก็จ้างห้าบาทว่างั้นเถอหุนหนึ่งเขาหุนละบาทซื้อผิ่นนะจ้างห้าบาทแต่พอกินห้าวันว่างั้นเถอะทีนี้พวกขี้ผิ่นทั้งหลายก็ใช้ขวานธรรมดาเนี่ยอ oh. รู้สึกว่ามันแก้เสือเ้อนะไม่มีเสือ้อมีแต่กางเกงตัวหนึ่งขาสั้นแล้วผ้ามัดเอวแล้วก็ฟันอยู่ว่างั้นจับ จักอย่างนั้นเลยทั้งวันเลยอย่างนั้นเถอะเออเขาเขาจ้างห้าบาทบางทีสามวันสี่วันจะโคดไมา้ยางโคดลงต้นหนึ่งห่มเออไม้ยางเขาไม่ได้เสียดายเลยเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเขามันไม้มันเยอะเหลือเกินอย่างนั้นเถอะแต่ไม่รู้มีไม่มีปัญญาจะโคนได้เพราะตัวเองไ ม, ไม่มีปัญญาโคดอย่างนั้นเถอะเออต้องจ้างพวกขี้ฝิ่นนี่แหละพวกกินฝิ่นนี่แหละเออพวกนี้มันโอ้โหทรมทรจริงจริงอย่างนั้นเถอะเพราะเป็นธาตุยาเสพติด เห็นแล้วนาดทุเลตจริงๆอจากนั้นก็หาปูหาปลาหาอะไรมาแลกข้าวชาวบ้านกินมาขายว่างั้นเถอะขายราคาถูกๆตัวละขายที่ละห้าสิบตัวละบาทตอนนั้นอ่ะชาวบ้านเขาก็หาอยู่หา ก, กินของใครของเราอยู่แล้วนี่แหละถ้าจะว่าไปศินข้อที่ห้านี่ก็คือมีพวกนี้เท่านั้นแหละที่ล่วงละเมิดแต่ชาวบ้านจริงๆเขาก็นานๆมีทีอย่างที่ว่าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่ง ที่เขากันเล่าหรือเล่าสาโทเน่ยอันในพวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็คงจะที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ก็คงจะมองเห็นภาพพจศสมัยรุ่นปู่รุ่นทวดของพวกเราว่างันจะนี่แหละศีลห้าในยุคสมัยคนบรโบราณ น, นั้นคือศีลข้อที่หนึ่งที่มีอุปสรรคมากที่สุดคือคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงครอบเลี้ยงขัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของตนเองคือฆ่าตัดตัดชีวิตนี่แหละเป็นอุปสรรค สำหรับการของชีพของชาวบ้านนอกในยุคสมัยนั้นนะแต่มายุคสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วล่ะอันะนี้คือพูดถึงเรื่องเกา่านะแต่ที่ยมพ่อก็เมื่อโยมแม่ขอร้องอย่างนั้นท่านก็เออเอาถ้าแม่อยากจะให้รักษาสินห่าก็รักษาจากนั้นท่านก็จะมาทานสินรักษาศินห่าท่านก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของท่าน แต่อายุสามสิบห้านะท่านว่ารักษาสินห้ามาแต่อายุสามสิบห้าปีรักษาสินห้าตรายมาสามเดือนที่แรกพอรักษาสินห้าออกพรรษาอย่างวันนี้หละเสร็จแล้วก็คงจะจบในการสมาทานสินที่นี่วันลุ่งขึ้นเทยเนี่ยวันต่อไปเนี่ยเวลาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเขาขยะขยงเขาเห็นโอ้ไม่รู้ ถ้าเราไปฆ่าทำอย่างอ่าไปฆ่ากบมันก็กลัวตายไปฆ่าไก่มันก็กลัวตายไปฆ่าปลามันก็กลัวตายเหมือนกับเรากลัวตายนี่ยนะทำไมเราจะไปหาฆ่าเขามากินโอ้ยฆ่าไม่ลงแล่ะฆ่าไม่ลงละวฆ่าสัตว์จากนั้นก็มาบอกยศแม่ยศแม่โอ้ยยังไงผมรักษาศินตรอดใจมาสามเดือนแล้วที่จะกลับมาฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าไม่ลงแล้ว ขยะขยงเ อ, อขอให้เจ้าจงดูแลเลี้ยงลูกต่อไปนะส่วนผมนก็จะหาเลี้ยงอย่างเก่านี่แหละหาผักหาหญ้าสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือได้ก็เอาแต่จะให้ข่ า, าสัตว์เผมขอยอมแพ้เราทำไม่ได้ทำใจไม่ได้ในจิตใจมันขยะขยแขงอย่างมากตั้งแต่บัดนั้นมาโยมพ่อก็เลยรักษาศีลห้ามาตลอดนะจนถึงอวสานของชีวิตของท่านนะ แต่วันพระก็รักษาสินุโบสถวันธรรมดาก็รักษาสินห้าเป็นประจำใครเขา้าสินห้าอยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดพอต่อมาพอลูกโตขึ้นมาพอจะเลี้ยงตัวได้โยมแม่ก็รักษาสินห้าอีกเลยรักษาสินห้าสินแปดทั้งคู่ของท่านนะเทลยึ้นวัดขึ้นว่ารักษาศินภาวนาของท่านก็นับว่าเป็นผู้เท่าที่ น่าเคารพนับถือคนหนึ่งอยู่ที่หลวงพ่อดูดูแล้วหาได้ยากมันงั้นแต่มาพูดมามีแต่เรื่องศีลธรรมเป็นคนชื่อสัตว์มากกว่าจะว่าโง่ก็ใช่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรสุด แ, แต่ลูกเต้าจะหาให้อยู่ให้กินพวกลูกเต้าเนี่ยก็พอเลี้ยงใหญ่ขึ้นมากับพ่อแม่ก็มีแต่สอนให้รู้จักบุญคุณเพราะท่านเคยทําเป็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยพอพวกลูกลูกก็เห็นอยู่แล้วท่านปฏิบัติยังไงกับโยมพ่อโยมแม่ของท่านเวลาไปถึง โยมแม่ของท่านที่เป็นแม่ชีนะพอไปถึงก็กราบใกล้ๆทั้งพาลูกสะภ้ยพาเมียพาลูกไปจากนั้นก็ไปกราบโยมแม่โยมยา่าของท่านก็จมพุมพุมภูมภู ม, มให้ศีลให้พรขอให้ลูกให้เต่าทั้งายจงมีความสุขความเจริญในการงานให้ร่ำรวย ปารธนาเสียงใดสวรรค์นิพพานท่านก็ว่าไปพวกเราก็ดีใจว่างั้นเถอะได้รับพรจากกุญญาที่เป็นเม่ชีว่างั้นเถอะหลวงพ่อก็เคยไปเนี่ยไปใน เ, เป็นเด็กนะทุกคนนั่น อ, อ่ะไปกราบด้วยความสนิทใจเลยว่างั้นเถอะพ่อพากราบแม่พาไปกราบท่านก็รักษาศีลแปดยอมญานะนี่แหละคือท่านทําเป็นตัวอย่างให้ลูกให้เต้าท่านได้เห็นนะ ในเมื่อท่านเท่าแกชรามาพวกเราก็พวกลูกทั้งหลายก็เนี่ยน่ะทากราบท่านด้วยความสนิทใจเหมือนกันบางทีอย่างเนี่ยก่อนเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาเนี่ยลูกเต่าก็มีขันดอกไม้ทูบเทียนม า, ากราบคารวะท่านนะมาตาปิตุเลประมาณเดนะกว่าแต่งบาลีขึ้นมาเลยนะมาตากับว่ามานดาปิตุเลกั บ, บิีดา ประมาณเดนะในประมาณผาดพังพ่อแม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่โหสิให้พวกลูกๆด้วยอันนี้ก็คือพวกเราได้คารวะทุกคนหลวงพ่อจะเป็นเด็กน้อยก่อนในนามคนหนึ่งเหมือนกันนะเข้าไปคารวะบิดามารดาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ศีลให้พรให้มีความเจริญรุ่งเรืองเนาะ ต่างอกต่างใจทําการทํางานให้ไหวพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาให้ดวงตาเห็นธรรมทั้งก็นแนะนําสังสอนให้ศิีลให้พรลูกเต่าเล่าหลานของท่านนี่แหละอันนี้คือเป็นอยู่แบบชาวพุทธเป็นอยู่แบบพุทธมามะกะพุทธบริษัทพอเท่าแก่ชรลามาลูกหลานมาก็เ อ, อ่ยึดแนวแถวของปู่ของย่าพาดําเนินมาพอเข่อมา่าข่อมากราบ พ่อกับแม่กับปู่กับย่าอใครมีอาหารการบริโภคยังไงไรก็ามาแบ่งมาช่วยเหลือตามอัถภาพของใครของเรานี่แหละอท่านอายุถึงยืนถึงเก้าสิบกวปีนะยมพ่อยมแม่อายุยมพ่อเก้าสิบหกยมแม่เก้าสิบห้าพอว่าหลวงพ่อไปครั้งสุดท้ายนลยนะก่อนที่ท่านจะล้มจากหายตายจากไปปีสองปี นวันหนึ่งยอมแม่ส่งพ่อไปไปถึงไปถึงก็เออไปง่ายยมพ่อยมแม่สบายดีขาดเหลือขาดตกอะไรนะโดยมากโรงพ่อไปสรงพ่อจะมอบเรื่องหยุกยาเนี่ยนะนะพกยาวิตามินโดยมากคนในชนนบทก็ทานอาหารก็ไม่ครบห้ากลุ่มอย่างว่านั่นอ่ะก็พกยาวิตามินรวมพวกเกลือแร่เป็นขวดไปให้คนละขวด ให้ทานยาวิตามินเดียววันละสองเม็ดนะเช้าเม็ดถึงเย็นเม็ดหนึ่งอย่างเนี้ยบางทีก็มีขนมนมเนยไปฝากจากนั้นก็ถามไถ่เป็นไงสารถุกุกสุกดิบของคุณพอ่อคุณแม่เป็นยังไงท่านก็เล่าให้ฟังวันหนึ่งวันหนึ่งโยมแม่เข้ามาใกล้บอกว่าครูบาพ่อของเจ้านะ่ะพูดกับแม่ว่าให้เจ้าไปก่อนเนอะค่อยจะไปตามหลังว่าเี้ คือบอกให้เมียตายก่อนเหมือนกันเถอะเออพื่อนว่าเพื่นจิตตายทำหลังเพื่อนวะทั้งที่ผู้ชายน่าจะตายก่อนเออจ้าไปตามหลังเนอร์ก็น่าจะว่าอย่างงั้นเหมือนกันเถอะอัออนนี้โยมย่แม่เขามากราบใกล้ๆวะบอกว่ากูบาพ่อของเจ้าเนะี่ยบอกว่าให้เจ้าไปก่อนเนอรค่อยจะไปตามหลังทั้งโยมพ่อนั่งอยู่ใ น, นหัวยิ้มเหมือนกันเถอะทีนี้ต่อมาก็ ไม่กี่ปีน่ยไม่กี่ปีปีสองปีโยมแม่ก็อายุแก่แก่มากแล้วงั้นเถะจากนั้นท่านก็ล้มป่วยลงมาเนี่ยล้มป่วยลงมาท่านก็ได้บรรณาภาพก่อนโยมพ่อจริงๆโยมพ่อก็เลยตามไปตามหลังจริงๆว่างนั้นนะห่างกันประมาณปีกว่านะเนี่ยแหละตอนที่มาป่วยโรงพยาบาลเนี่ยกัผู้เท่าก็โอ้รู้สึกว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งนะ อายุที่เก้าสิบกว่าปีแล้วทางพยาบาลตึือทางหมอเขาเห็นเขาก็ไม่น่าเชื่อมันกันว่าผู้เฒ่าจะการพูดการจาอะไรสะฉานทั้งหมดนะเขาก็มาถามเขาถามโยมแม่ที่ป่วยเนะ่ะเป็นไงยายเขาว่างั้นนะทำไมยายอายุยืนโยมยายกินอะไรปฏิบัติตัวยังไงถึงอายุยืนอายุยืนขนาดนี้ อแล้วกัสุขภาพแข็งแรงพูดจาไดก็ไม่เลอะเลือนจําได้แปว่าเวลาป่วยอยู่ในห้องโรงพยาบาลเนี่ยใครป่วยเป็นอะไรถามหมดที่นั่งเตียงเรียงกันคนนั้นเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรถามหมดเวลาลูกเต่ามาเนี่ยคนนั้นเขาเป็นนะ น, นะไม้ไม้ล้มทับเขานะเถียงนาล้มทับเขานะไฟไหม้เขานะแปลว่ารู้จักหมดเหมือนกันในแถวนั้นเออดังนั้นแหละคือคนโบราณ ในหมู่บ้านของเขาเขาจะรู้จักหมดว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรว่าจะต้องถามไถ่กันทั้งหมดไม่เหมือนกับคนยุคนี้คนยุคนี้เนี่ยถ้าไปถามอย่างนั้นค่ะว่าหาว่าดูถูกเหยียดยามกันแต่คนโบราณไม่ใช่อย่างนั้นเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยเอแล้วก็ถามไถ่กันแล้วจะเอายายัางไงจะช่วยเหลื อ, อยังไงเขาจะช่วยเหลือกันแบบนั้นอือันนี้โยมแม่ของมันกันมาป่วยโรงพยาบาลเห็นใครอยู่ในเตียงเนีถามหมดในห้องนะั้นใครเป็นอะไรอรู้จักหมดว่างั้นอะแต่ทนี้ก็ พยาบาลเขาก็ถามหมอก็ถามเป็นไงยายอทำไมยายอายุยืนแล้วก็ความจำยังดีพูดอะไรก็จำได้ตอบปัญหาได้ดียายก็บอกโอ้ผู้ค่าก็กินปตามประสีภาษาบรร น, นอกนั่นแล้วกินพริกกินเกลือกินผักกินหญ้าไปยังั้น่ะตามประสีภาษาบรร น, นอกตามทุกตามอยากผู้ท่างว่างนั่นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกคณะแพทย์จะมาสัมภาษณ์นะยายนะ่ะจะมาถามยายอขอให้ยายตอบ ว่ายายทำตัวอย่างไรเขาว่างกันนะแต่เดี๋ยวจะมาถามอีกครั้งนึงเขาวางกันนะแต่เดี๋ยวเขาก็กลับไปหมอก็มาตรวจแล้วเขาอาจจะพูดเล่นๆกับคนแก่ก็ได้เพาะงั้นแต่แี่นี่น พ, พวกลูกที่นั่งน่งอยู่ข้างๆเขาว่าพอหลงพ่อเข้าไปอท่านอาจารย์พวกหมอเขาว่าจะมาสัมภาษณ์คุณแม่เด้จจะมาถามคุณแม่เด้ว่าทําไมอายุยืนเราก็เลยถามว่าถ้าหมอมาถามล่ะ คุณแม่จะตอบเขาว่ายังไงถ้าว่าเขาถามทําไมคุณยายจึงอายุยืนอคุณแม่จะตอบอยังไงเพราะก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วกินพริกกินเกลือกินผักกินหญ้าไปอย่างงั้นแหละก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเราก็กินอย่างนั้นจริงจริงเหมือนกันไปตอบอย่างนั้นไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวคนจยากจะอายุยืนกินพริกกินเกลื อ, อ, อปวดท้องเปกก็นโรคกระเพาะแล้วตายเร็วเวได้ ว, วะเออไม่ได้ไม่ได้แนะนําอย่างนั้นไม่ถูกวะต้องบอกเขาอย่างนี้่ ทำไมอายุยายจึงเยือนเราก็ตอบว่าเออยายนี่นะที่ก่อนที่อายุเยืนเนี่ยอยายเข้าวัดเข้าวา่าต่อมาเป็นหนุ่มก็ได้ปฏิบัติย่าปฏิบัติปูพอต่อมาหลวงปูล่าท่านมาอยู่ปูเจาก็ยายก็พอนั่นก็ขึ้นไปป น, นิบัติใส่บาตรทุกวันไม่ขาดใส่บาตรหลวงปูล่าจากนั้นก็ไปสมาทานศีลทุกวันพระ ไปกราบไปไหว้ไปได้ยาดูแลวัดว า, าศาสนาทำใจให้สบายทำใจให้เย็นการอยู่การกินก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมีผักมีหญ้าก็กินไปตามอัตภาพตามมีตามเกิดตามอาหา ร, รงอาหารป่าแต่ข้อสาคัญทำใจให้สบายนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญอย่างมากาต้องบอกเขาอย่างนั้นนะถ้าว่าใครลูกหลานผู้ใดอยากจะอายุยืนยาว ก็ให้รักษาศีลเด้อนะรักษาศีลห้าอย่างยายรักษาศีลแปดอย่างยายเนี่ยจะมีอายุยืนนานบอกเขาอย่างนั้นนะผูู้เท่าวก็ว่าโดยผูู้เทธาว่ากันนะพอต่อมาท่าน้เท่าก็เลยบอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเน่ะพอกข่าวัดขา่าววานี่ยเอผู้ฆ่าใจสบายจิตใจสบายแล้วอายุผู้ฆ่าจึงยืงนเหมือนกันในวันหนึ่ง ผู้ฆ่าได้ขึ้นไปรักษาศีลที่ภูจอกก้อนอผู้ฆ่าได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์พระอรหันต์หลวงปู่ล่าเนี่ยผู้ฆ่าเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะว่างั้นผู้ฆ่าได้ปฏิบัติท่านว่างั้นเอ้ยทําไมพูดสูงขนาดนั้นเราก็ถามกันเราก็ขวูว่างั้นแต่อ้าวในความรู้สึกของแม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครูบาว่างั้นอ้าวเป็นยังไงเราจึงเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะผู้ฆ่าขึ้นภูเขายาก ครั้งสุดท้ายนี่อายุแก่มากแล้วเขาก็เลยพยายามประคับประคองตั้งอุ่มทั้งหามผู้ฆ่าขึ้นมาหลังเขาผู้เจ้าก่อที่ศาลาใหญ่ผู้ฆ่าก็ไม่เคยเห็ น, เ, นเพราะสร้างสาราเสร็จแล้วผู้ฆ่าก็แก่แล้วขึ้นไปไม่ถึงลูกหลานเขาพยายามเขี่ยวเข็นให้ผู้ฆ่าขึ้นไปผู้ฆ่าก็ค่อยขึ้นไปกับผูลูกหลานพอขึ้นไปก็ไปกราบหลวงปู่ลาวันนั้นหลวงปู่หลาเกเทศทุกห้าคำ่ำสิบเอดค่ำ อย่างนี้แ่ะแปดคำ่คำสิบห้าค่ำหลวงปู่ท่านจะเทศเดือนหนึ่งท่านจะเทศลักษณะอย่างนั้นต่านนี้ก็ขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วก็ป่านทําวัดเสร็จอย่างพวกเราทําเสร็จนี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงปูล่ลากว่เออให้พวกญาติโยมทางไลยให้ตั้งอกตั้งใจนอะให้ภาวนาเนะยอย่าประมาทเนะคนเรานี่บุญบรารมีพวกเราเนะนะ่ะเป็นผู้สั่งสมเอง ถ้าพวกเราสังสมบารมีแล้วก็เต็มตื้นขึ้นได้เรื่อยเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าดอกบัวเหลาแรกก็คือพึ่งโผล่ออกมาจากเง่าบัวพอเป็นตุ่มเนี่ยพอพ้นออกมาจากตุ่มอันที่สองก็โผล่ขึ้นมาขึ่งน้ําอันที่สามก็โผล่ขึ้นมาเกือบจะพ้นน้ําอันที่สี่ก็พ้นน้ําขึ้นมาแล้วแล้วก็ อาศัยแดดสองเข้ามาดอกบัวเขา้าบานอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะพวกเรานั่น่ะให้สั่งสมบา ร, รมีไ้เด้ออย่าประมาทหนุกปูราเทศนะให้สั่งสมสร้างบุญสร้างกุศลศีลทานภาวนาเอาไว้พอสั่งสมมากๆพอโผล่พ้นน้าขึ้นมาได้รับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จิตใจก็เบิกบานเออ ดอกบัวกบานรับให้ว่าวเข้าใจในธรรมคําสั่งสอนก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละการสั่งสมคือสั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆเรานั่นแหละเป็นผลสั่งสมเองทําเองสร้างบุญสร้างกุศลเองไม่มีใครสร้างให้เด้บุญกุศลท่ะเานท่านจงจัดว่าเป็นดอกบัวสีเหลาคุณโจมแม่ได้ยินอย่างนั้นโจมแม่ก็ถามขึ้นมาในที่ประชมนะุม่ะคู่บาอาจารย์เหล่านั้น เป็นดอกบัวที่เท่าไรสันเน่ถามมาันไปเออเป็นดอกบัวเล่าที่เท่าไรสันเน่คู่บาอาจารย์เนี่เป็นดอกบัวเล่าที่เท่าไ ร, าาาารก็รน้อยสันเน่หลวงปูล่ลาบอกว่าไม่ตอบเ <c oughs> ออไมออ่ไม่ออกตามถามยังไปถามได้ยังไงเออไม่ตอบผลวันเี้เพราะว่าไม่ตอบเผลหลวงปู่ว่าเราไม่ตอบท่านกุ้ ง, งวะเลาะฮ่าฮ่าฮเออต่อไปประเทศ ต, ต่อไปอีกเหมืนกั ไประเด็ต่อมาพอท่านไปตอบตอัวแม่ก็ไม่ถามท่านเหมือนกันคือแว่อยากจะรู้ว่าหลวปู่ล่าเป็นดอกบวัวเราที่เท่าไหร่เราที่เราที่จะพ้นน้าหรือเปล่าเหมือนกันเถอะเราที่เราบอกพ้นน้ําแล้วเ่างอนกันเถอะหรือว่าบานแล้วเหมือนัอน่ะทีนี้วันหนึ่งครับพอจากถามหลวงปู่ล่ามาได้สามสี่ห้าวันพู่ข้ากันอนไปไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาแล้วก็นอน นอนกับภาวนาพุโทโธพุธโทโธจนหลับเหางะนั้นพอหลับไปแล้วใกล้สว่างใกล้จะแจ้งเหมืะนกันเห็นเป็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาทางทิศ ต, ตะวันออกเหมืนั้นเห็นแสงจ้าขึ้นมาโอ้ในเวลาชสบาตแล้วคือพุ้เฒ่าใส่บาตเป็นประจำเน้ตั้งแต่หลวงปู่ไาอยอยู่ น, ะ น, 2500นี่ะแต่ปีสองพันห้าร้อยเหนัเอจนถึงสนะองพันห้าร้อยสามสิบเก้านหลวงปู่มราณาภาพ เป็นเวลานานพอสมควรพุทธเจ่าตื่นมาใส่บาตรทุกวันเหมือนกันไม่ใส่บาตรเพโดยมากยงพ่อไม่ค่อยได้ใส่มีแต่ยมแม่กับพวกลูกๆแต่งกันใส่ต้องใส่ทุกวันไม่ได้ขาดตัวนั้นนะครมีเงยงกมีหอด้วยตามภาษา บ, บ้านนอกเพราะว่าท่านก็ไม่มีตลาดไม่มีโรงครัวด้วยเดชภูจะกอสมัยนั้นอะ่ะเนี่ยต้องเตรียมอาหารใส่บาตรแกงเห็ดแกงหน่อไม้ตามภาษีภาษาของพวกเรามีอยู่กินไงกับใส่บาตรของท่านอย่างนั้นอะ่ะ ทีนี้ก็พอฝันท่านไปเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งเห็นหลวงปู่ล่าเดินมาองคเดียวย่งั้นเดินมาอุ้มบาดมาอุ้มบาดมาเอ้พายบาดมาเดินพระอาทิตย์สองหลังท่านมาทั้งโยมแม่เนี่ยก็ให้เข้าในช่วงั้ลกุกปุ๊บปับขึ้นไปเตรียมอาหารได้องั้นมีติบข้าวกับองกับใส่จานไปพอไปเห็นเนี่ยก็ ยกของทานจบบนศีรษะเหมืนั้นเถอดตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเราทําบุญอ่ะยกใส่หัวซะก่อนเหมือนนั่นอ่ะจบซะก่อนยังค่อยทําบุญตอนี้มันมีรั้วอยู่สามลาวนี่ชัดขนาดนั้นนะกูบาเหมืงงั่นมีรั้วอยู่สามลาวขวางหน้าหลงปูล่าอยู่ฝากนุ้น์ผู้ค่าอยู่ฝากนี้เหมือนนเ่นผู้ฆ่าจบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ค่าก็จะใส่บาทท่านก็เปิดฝาบาทขึ้นมาพอเปิดฝาบาทขึ้นมาอาหารเต็ม บาทของหลวงปู่ลาวนั่นของเต็มบาทหลวงปู่หลวงปู่เขาเลยบอกเขาว่าไม่ออกตานที่ไม่ออกถามวันวานมันก่อนสองสามวันนี่นะแน่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเต็มแล้วไม่รู้ที่จะใส่อีกแล้วไม่มีอะไรที่จะใส่อีกแล้วมันเต็มแล้วมันเต็มบาทอย่างนี้แหละอไม่รู้จะใส่ยังไงอีกมันเต็มแล้วเพราะนั้นเอที่ถามวันนั้นนะมันลักษณะอย่างนี้มันเต็มแล้วนะ ผู้ฆ่าก็เลยตื่นขึ้นมาในช่วงนั้นว้าวหลวงปู่ล่าเป็นพระอรหันต์แล้วผมบอกว่าได้ว่างั้ยเออเออก็เลยเดาเอาเลยว่างั้นพราะหลวงปู่ล่านี่เต็มแล้วถ้าว่านะเออท่านบอกผู้ฆ่าอย่างงั้นพวกนั้นผู้ข่าได้ปฏิบัติพระอรหันต์ปฏิบัติหลวงปู่ลาอันนี้ก็คือโยมแม่ท่านพูดในในวาระสุดท้ายที่ท่านป่วยที่โรงพยาบาล น, นะแต่ที่ท่านเป็นความเท็จจริงยังไง เราก็ไม่รู้แต่ผลที่สุดเมื่อหลวงปู่ลามรณาภาพนะอธิธาต์กระดูกของท่านขององค์หลว ง, งปู่ลาก็เป็นพระาธาตุเดชเป็นเม็ดกลมที่พวกเรารู้เ ห, เห็นกันอยูนะ่ก็คงจะจริงอย่างที่โยมแม่พูดกับมั่งอนะนี่แหละอันนี้ก็คือกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางสําหรับพวกเราเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราเป็นพุทธบริษัทอนะไม่ได้ กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ม่ได้เชิดชูเทิดทุนเออยกหย่องเะละเถินยมพ่อยมแม่ให้พวกเราเลิศเลออะไรหรอกพูดตามความเป็นจริงว่าพวกเร า, เาควรจะยึดถือแนวไหนสมมติว่ายมพ่ อ, อที่ท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ่ะเอเป็นยังไงขันมีเฮลิโอตปะยังไงแต่หลวงพ่อเองเนี่ยอย่างดูแล้วมีความคล้ายๆกับว่ารู้ ในความรู้สึกในจุดนั้นของท่านที่ท่านข้าไม่ลงท่านทําหากินไม่ลงรู้รู้ความในใจของท่านท่านคงจะรู้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่างา น, นแ่แะอะไรก็คือจิตใจที่เป็นกุศลนี่แหละสรุปแล้วก็คือการสร้างสมบรารมีของแต่ละคนไปเรื่อยๆ เ, เก็บคะแนนไปเรื่อยๆว่างานนแต่อพวกเราก็เหมือนกันนั่นอ่ะพยายามเก็บหอมรอมริบเก็บคะแนนตัวเอง จนถึงวาระสุดท้ายเนะีนน่ยคะแนนใครดีกว่ากันใครตกใครหล่นยังไง ก, ก็จะรู้กันในเกือบสุดท้ายน้่นแนะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าใครเก็บคะแนนได้ดีก็ไปได้สูงเท่านั้นแหละถ้าว่าใครตกนะไม่ได้สนใจเรียนไม่ได้เก็บคะแนนะก็ตกต่ำเท่านั่นแหละนนั้นพวกเราทุกทุกท่านญาติโยมทุกๆคนนะให้ตั้งอกตั้งใจอย่าประมาท สนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เหมือนกันออกพรรษาแล้วก็ให้ทางอกตั้งใจภาวนาเอาให้รักษาความเค็มของตนเองไว้อยู่เสมอเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไว้อยู่ฉะนั้นแหละสิ่งไหนที่เป็นหลักธรรมหลักวินยัยก็พยายามตรวจตราเข้มงวดขวดขันศึกษาให้รู้จักจากนั้นก็ให้มีเมตตาธรรมต่อกันให้มีคุณธรรมในจิตใจ มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาสังสมบรลมีไปเรื่อยๆนั่นน่ะสรุปแล้วก็คือเก็บคะแนนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันน่ะของพระนี่ก น, นะจนถึงที่สุดพ้นทุกข์เมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นละ่ะถึงแดนแห่งความกเกษมถ้าว่าพวกเราทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆใจของเราก็เต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆดอกบัวสีเหลา ย, ยางที่ หลวงปูล่ลาท่านพูดนะนนะ่ะมันก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยผลในสุดก็เบี่ยงบานรับพระอาทิตได้นะไม่มีใครที่จะทําให้เราคุณงามความดีมีแต่เราเท่า น, นั้นน่ะจะทําให้แก่เราแล้วก็ถึงสุดท้ายมาก็ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวของเราเองเอหายใจปุบโฟปุบโ ฟ, บโฟเขาเอาศัยออกซิเจนให้ถึงยังไงยังไงมันก็อย่างบานน่ะถึงจะใส่ยังไงมันก็ต้องตาย อถึงคราวนะั้น่ะใครจะพึ่งใครล่ะพึ่งตัวเองเท่านั้นแล้วอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานะเพราะนั้นพวกเราต้องพยายามพึ่งตนเองพึ่งคุณงามความดีพึ่งบุญพึ่งกุศลสั่งสมบุญกุศลในจิตในใจถ้าเราไม่ได้ สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ปัญหาที่พึงไม่ได้เนีเหมือนกับคนไม่หาเงินนั่นแหละอคนไม่หาเงินอยากจะไปเขามีความจํำเป็นมาจะไปใช้เงินได้ยังไงพราะาตัวเองไม่ได้หาเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บาฮาชวนเจมาสุดท้ายมาโอ้ยบุญกุศลเลยมาช่วยผู้ฆ่าด้วยเถินจะช่วยได้ยังไงตัวเองไม่ได้หาเอาไว้ออันนี้ก็เหมือนกันนะั่นน่ะ ต้องสั่งสมบา ร, รมีขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าประมาทตายแน่ๆนะไม่ถึงร้อยปีหรอกถึงจะมีความสุขยังไงก็เถอะนะยศถาบรรดาศักดิ์ร่ํำรวยขนาดไหนก็เถอะไม่พ้นตัวนี้ไปได้เพราะนั้นอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่สจิตใจของเรานะนะั้นอ่ะดีที่สุดนะพึงตนเองบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจเราไปเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะมีความ ลมเย็นเป็นสุขถ้าเอาชนกะชนะใจตัวเองได้ในชาตินี้นะดีที่สุดไม่ต้องมาเวียนไายตายเกิดอีกนั่นแหละดีที่สุดถ้ า, าว่าเวียนไหวตายเกิดจะพบหน้าชาติหน้ากับเป็นอย่างนี้แหละหายใจฟอเฟอร์ฟอเฟอเข่าห้องน้ำห่องถ่าทั้งขี่ทั้งเกยียวทั้งเก็บทั้งปวดทั้งทุกข์ทั้งอยากหายใจใครจะว่าความสุขมีมันมีที่ไหนเอนั่งมากเห็นไหมปวดขานะเนี่ยแล้วก็พลิกข้างนู้นเหมือนกับคอก ทานไฟอยู่ในมือของเราเนะ่ะเออเผาก้อนหินร้อนๆ อ, อยู่มาวางไว้บนมือฝ่ามือของเรานะ่ะมันร้อนมากกับโยนมาข้างนี้พอร้อนันนี้เกิโยนมาข้างนี้ย้อนนนี้กิโยนมาขนี่โยนทั้งวันจนถึงวันตายแบบนั้นเอ่อต้องเปลี่ยนอริยาบทอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราจะหาความสุขก็ว่า ส, สุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรเออถ้ามันมีพลิกดูสินอนนั่งไม่พลิกอ่ะนอนตลอดไปสิ เ, เดินตลอดสิยืนตลอดดูสิเอกินมากๆดูสิ อไม่กินดูสิล้วนแล้วตะบีความทุกข์ทางนั้นนี่นะ่ะคุณว่าพาลาฮเวปันจักคันธาคันทั้งหเป็นพาละอันหนักทุกข์ขันนะนี่เราต้องเพียงน า, นาดูตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่ากล่าวเอาไว้แล้วหาตำหนิไม่ได้นะส่วนลึกแล้วนะเป็นเสียแต่เราจะคิดแบบผิวเผินแบบโลกโลกเอาข้างเข้าตูเอากิเลสเข้าว่าเนี่ยมันก็อย่างว่านั่นนะแบบหูหนวกตาบอด แบบหลับตาแล้วก็พูดไปเรื่อยพล่ามพ่ามไปเรื่อยแต่ถ้าลืมตาพูดเราต้องเห็นอะไรสิ่งดีสิ่งชั่วมันก็พูดเห็นได้ถ้าตาบอดพูดเหมือนกับคนมีกิเลสหูหนวกตาบอดพูดมันก็อย่างว่าเราจะไปให้ความสนใจให้ความเชื่อถือได้ยังไงตาบอดพูดเราก็ต้องเชื่อคนตาดี เ, เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นละ่ะ เชื่อท่านเอาไว้น ะ, ะการพูดวันนี้ก็ยาวนานพอสมควรแต่ตอนนี้ไปก็พวกเรานั่งสมาธิ